Book สสิบด่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ค่ำอาทอุดยาค่อาอุดยเมื่อวานเป็นวันเสาร์ काल शनिवार วาร์ฮุต้าค่าล์ศุนเมื่อวานดิฉันไปดูหนัง कालमी चित्रपट ब घ บกหาเละोกลโลฮุตโตค่าล์มีจิตรภาพบกหาเละหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจ चित्रपट मनोरंजक होता चित्रपट म न พมโนรัง วันนี้เป็นวันอาทิตย์อาจ व รัวีวาราเฮ व าจ์รัวีววันนี้ดีฉันไม่ทำงานานาร์ीาห म อาจ์มีนอก ह ีวร์จานาร์นาหีอาจ์ाีกามาลาจานาร์นาหีอาจ์มีนอกรีวร์จานาร์นดิฉันอยู่บ้าน มीภาร र รพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์อุมพรุ่งนี้ดีฉันไปทางานอีกอุทยาปัสุนมีปุณห์กามลาจารน์อุทยาปัสุนมีปุณห์กามลาจดีฉันทางานที่สานักงาน म ी एका कार्यालयात काम करतो। म ै एका कार्यालयात काम करते। खोनंन क्यू कैय। तो कोणा है? तो क ो ण आ ह े खोनंन क्यू पीटर। तो पीटर आहे। तो पीटर आहे। पीटर पेन नक्सुक्सा। पीटर विद्यार्थी आहे। पीटर व ि द ् य ा र ्ธी आ ह เฮคนนั้นคือใครทีโคนาเฮทีโคนาเฮคนนั้นคือมาธาทีมาธาเฮทีมา ख ाเुมา न าเป็นเลขา व นุกาा र ् थ ा सचिव आहे อา ปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์อันิाาธามิตราเหตุปีเตอร์อันิมาิตรเหตปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาปีเตอร์มาธาจ้ามิตราเหตุปีเตอร์มาธาตรเหตมาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาธา थ ा पीटरची मैत्र นาเ มารธาปีเตอร์ชิมัตรินอ่าเรุณาไปที่ www. b o o k t o de สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด